นี่มาขึ้นปัญหาต่อไปปัญหาที่สี่มรุปปาธนะปัญหามรค้าบวกอุปาทะอุปทะเนี่ยแปลว่าการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของอริยมรุนนั่นเองพระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเสณต่อไปว่าพระคุณเจ้านาคเสณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้เอาไว้ว่า ตถาคตพิกเวอรหังสัมมาสัมพุท ธ, ธอนุปปณะมัคคสอุปาเดต า, าแปลว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ท ร, รมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น คำว่าทำมักมักโดยสัพแปลว่าอุบายที่ทําให้บรรลุพระนิพพานมันอุบายที่ยังอุบายที่บรรลุนิพพานก่อนหน้านั้นยังไม่เกิดพระองค์เนี่ยทำให้เกิดขึ้นนะพระองค์ก็เลยชื่อว่าอะไรนะผู้ที่ทำมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกใครเนาะจะรู้อุบายเพื่อบรรลุพระนิพพานอันนี้มีหนึ่งที่หนึ่งนะที่หนึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ ทำมรรคหรือสร้างอริยมรรคมีองค์แปที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าอัทธสังขวาหังพิกเวปุรานังมักังปุรานังอัญชสังปุพะเกเหิสัมมาสัมพุทเทหิอนุญาตังดูความพิสูจทั้งหลายเราได้พบเห็นแล้วซึ่งมรรคเก่าซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จดําเนินไปตามการดังนี้พระคุณเจ้าหน้าเกษต ถ้าหากว่าพระตถ า, าคตเป็นผู้ธทำมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจริงายถ้าจริงนะถ้าอย่างนั้นคําที่บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้พบเห็นแล้วซึ่งมรติกเก่าซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จดําเนินตามการตาบ้างก็ย่อมไม่ถูกต้องอีกที่หนึ่งบอกว่าพระองค์สร้างมรี่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งบอกว่าพระองค์เนี่ยเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนพ า, พาไปเฮมขัดกันนะเนี่ย เพราะถ้าหากว่าพระตราคตรัรว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราได้พบเห็นแล้วซึ่งมักเก่าซึ่งเอ่อซึ่งหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนสเสด็จดำเนินตามการไปดังนี้จริงใส่ถ้ า, ยาอย่างนั้นคำที่ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายแตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำมักที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง มันปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดนะสรุปว่าฟังขัดกันนะอีกที่หนึ่งบอกว่าสร้างมรกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งบอกว่าเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าอ่าเป็นทางเก่าที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเดินแล้วก็เรียกว่าเขาเหมือนกับว่าตามรอยกันไปเท่านั้นเองนะนะเหมือนว่าถ้าฟังไม่ดีเหมือนว่าพระองค์แค่เดินตามรอยกันเท่านั้นเอง พระนาเกษตก็ตอบว่าข้อความทั้งสองแห่งที่กล่าวเนี่ยนะเป็นพุทธพจน์และพระองค์ก็ตรัสไว้จริงเช่นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเป็นท่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้จริงและอีกที่หนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้พบเห็นซึ่งมรรคเก่าซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จดำเนินไปตามการอันนี้ก็จริงคาตรัสทั้งสองนั้นเนี่ยนะ เป็นคำตรัสไปตามสภาวะเว่าทั้งสองอย่างเนี่ยนะเป็นการแสดงตามสภาวะเป็นการแสดงตามอัตะที่เป็นจริงคือความจริงมันก็เป็นอย่างนั้น น, นะความจริงเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาวะแท้ๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอันนะอคำแรกก่อนที่บอกพระองค์ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสภาวะที่จริงที่แท้ถูกต้อง อีกทางหนึ่งที่บอกว่าเดินตามทาง เ, าเดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าแสดงก็ถูกต้องทีนี้ขยายคําอาทิคําที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดําเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปเนี่ยถูกต้องอย่างไรขอถวายพระพรเพราะความที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายในปางก่อน พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงล่วงรับไปเมื่อพระองค์ล่วงรับไปก็ไม่มีผู้อนุาสาตรตามสอนอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอนุาสตาตรนี่แปลว่าผู้ที่ตามสอนอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อไม่มีผู้สอนอธิศีณาธิจิตอธิปัญญามักก็ย่อมอันตรทานเลือนหายไปใช่ไหมพอพระองค์ล่วงรับไป พระองค์การของพระองค์ผ่านพ้นไปผู้ที่ตามสอนไตรสิกขาไม่มีอริยมรรคก็เป็นอันอนตรทานศูนไปจากโลกสำหรับพระตถาคตพระองค์นี้องค์ปัจจุบันนี้พระองค์ก็ใช้พระปัญญาจากสุขค้นหาอยู่องค์เนี่ยคน้นคว้าหาข้อปฏิบัติที่ตรัสรู้พระนิพพานหาหนทางเพื่อแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ได้พบแล้วซึ่งมรรคที่ ขาดไปแล้วซึ่งหนทางนั้นก็หายไปแล้วศูนย์ไปแล้วพังทลายไปแล้วที่ลึกลับที่ถูกปิดเอาไว้ถูกบังเอาไว้เป็นทางที่เขาไม่ได้เคยใช้สัญจรกันเลยในระหว่างนี้เป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเคยเสด็จตามกันไปนั้นการที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนเสด็จไปเนี่ยนะ คือพระองค์ต้องการจะยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยอดีตเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละจึงพ้นทุกพระพุทธเจ้าในอดีตปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วพระองค์พ้นทุก์พระพุทธเจ้าที่จักมีต่อไปในอนาคตพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละพระองค์จึงพ้นทุกพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ปฏิบัติเช่นนี้แหละ จึงพ้นทุกพระองค์ต้องการยืนยันในลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะไปเดินตามก้นกันแบบเห็นหลังกันอยี่ยนะเห็นหลังกันแล้วก็เดินตามกันไปไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายคำว่าการตรัสรู้การปฏิบัติไม่มีความต่างกันเลยแล้วถามว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับองค์หนึ่งห่างกันไหมห่างกันแผ่นดินหนาเป็นร่วมยี่สิบกิโลเมตรนั่นนั้นมันห่างกันขนาดนั้นจะไปเห็นหลังกันได้ยังไงนั้นพระองค์ไม่ได้ไปเดินตามในลักษณะเรียกว่าตามก้นกันไป แต่ลักษณะว่าตรัสรู้ในสิ่งที่เหมือนกันแต่ต่างยุคต่างสมัยเท่านั้นเป็นการยืนยันว่าเป็นเท่ากับว่าเอาพระพุทธเจ้าในอดีตมามารับรองเอาอ้างพระพุทธเจ้าในอนาคตรับรองเพราะบางคนจะตรัสรู้ต่อเมื่อพระองค์ยืนยันแบบนั้นบางคนนี่ไม่ได้นะเออฟังก็น่าเชื่อนะแต่คุณต้องอ้างอดีตอ้างอนาคตได้นะฉันยึงจะเชื่อจริงอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยนะโอ้อะไรจะวิจิตเท่ากับอัธยาสัยของสัตว์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะ ต้องหาเหตุหาผลอธิบายอยู่นั่นแหละเขามาเชื่อเลยนะถ้าไม่มีการุณาคล้ายกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิกสอนเนะี่ยยังไงก็เลิกเจ้ อ, อนะเพราะบางท่านรอวันเลิกมนะเขาว่างนั้น เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายเราได้พบเห็นแล้วซึ่งมัตเก่าซึ่งทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางกรเสด็จดำเนินตามกันไปอันนี้เป็นคำที่พระองค์ตรัสบอกว่าที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมันเป็นตามแนวทางเดียวกันนะเป็นแนวทางเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ ที่พระองค์งนั่งบรรลุเพราะเรียนจากพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาแล้วมาบรรลุอย่างนี้ไม่แต่พระองค์งเคยสร้างสมบุรณ์จากาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจริง น, นะสร้างบารมีมาจริงแต่เหตุการณ์เนี่ยมันนานมากจนองค์างมาอาศัยปัญญาอาศัยบุญกุศลบารมีเนี่ยวิจัยเลือกเฟ้นด้วยพระปัญญาของพระองค์งเองจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะได้ตรัสรู้หาช่องทางโดยลําพังพระองค์งเองเท่านั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่บอกว่าสเสด็จ ดำเนินไปตามทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกอนเคยไปขอถวายพระพรบัดนี้มักที่ขาดไปแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าเราเคยได้ยินในสมัยพุทธกาลเนี่ยพอเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจบปั๊ บ, บแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะอภิกันเตอภิกันเตแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนหงายของที่คว่ำอ่ะนะ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางด้วยสองประทีปในที่มืดนะเพื่อคนจักสุจะได้มองเห็นรูปฉะนั้นน่นะพระธรรมของพระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งอย่างนั้นพระเจ้าค่ะทีนี้มีคำหนึ่งก็บอกว่าตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผ่านพ้นไปโลกเนี่ยก็มืดลงนย ไม่มีใครรู้จักพระพุทธรัตนะเลยรูปพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะแต่ที่พระองค์แสดงทําให้ข้าพระองค์ฟังเนี่ยบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะเห็นรูปพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะแล้วพันข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเนี่ยนะพราะมองเห็นพระองค์แล้วรู้จักพระองค์แล้วขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าตลอดชีวิตแบนะั้นเพราะาบัดนี้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนสองประเทศในที่เมื่อพระธรรมเทศนาของพระองค์เนี่ยชี้ให้เห็นคนของพระรัตนตรายอย่างนั้นมันก็ก็แปลว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนดับขันทปริริณพานไปแล้วพุทธศาสนาก็เป็นอัน อันตรฐานไปเพราะไม่มีผู้ตามโอวาทอนุสาสตร์อยมัอนุศาสตร์ อ, รอธิสินอนธิจิตอธิปัญญาซึ่งไตรศิกษาเหล่านี้เป็นอุปนิสัยแห่งอริยมักเมื่อไม่มีผู้สั่งสอนวิธีการเจริญศิกษาสามอาริยมักก็เท่ากับว่าอันทางนั้นอันตรธานไปแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็มาค้นพบซึ่งแนวทางเดียวกันเนี่ยน ะ, ะเขาเรียกว่า ปัจเจเวคณาญาณพิเศษมีสำหรับพระพุทธเจ้าปัจจเวคณาญาณพิเศษคืออันวยานเนี่ยนะอันวยานนั้นเนี่ยนะกับธรรมยานเนี่ยมีอยู่สองอย่างญาณพิเศษโดยเฉพาะอันวายานเนี่ยแปลว่าญาณที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์น้อมไปพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าในอดีตว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตรัสรู้เช่นนี้นะ พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ตรัสรู้เช่นนี้ไอ้ปัจเวกขณะยานพิเศษอันนี้เรียกว่าอันวายาณอันวญาณที่ที่บอกว่าเออแนวทางเดียวกันเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีพวกยานเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยบอกบรรลุบรรลุบรบรลุอะไรใช่ไหมเอาอะไรมาอ้างมาอิงมาบอกได้ดีแล้วบรรลุแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไม่สงสัยแล้วแทงตลอดแล้วอะไร และอะไรรับรองอะไรรับประกันแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่ละเอียดที่สุดเลยในบรรดาผู้ละเอียดทั้งหลายเนี่ยละเอียดถึงขนาดว่าเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าทั้งมวลที่เคยมีในอดีตเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าทั้งมวลที่มีอยู่ในอานาคตจริงๆพระองค์ก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกแต่พระองค์ก็ยังเทียบเคียงเป็นผู้ละเอียดที่สุดเลยนะ้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกความคิดของพระพุทธเจ้าผ่านการไข ค, ครวนหมด ดังนั้นเกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่าใดเนี่ยพระองค์ใคร่ควรวนผลการเห็นพระองค์สําหรับสัตว์เหล่านั้นนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์จริงๆนะก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผล พ, พระองค์เหตุผลที่เนื่องจากว่าศาสนา ผู้อนุศาสตร์อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยหมดไปแล้วสูญไปแล้ว น, นะแล้วก็ไม่มีใครเข้าปฏิบัติอย่างนั้นอีกแล้วผ่านไปนานถึงขนาดว่าแม้แต่คำว่าพุทโธก็ไม่แทบไม่ได้ยินกันเลยนี่แหละพระองค์จึงตรัสได้ว่าตถาคตเป็นอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำทางที่ยังไม่เกิดให เกิดขึ้นเพราะพระองค์สามารถบอกแนวทางในการเจริญอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาซึ่งรวมเป็นไตรสิกขาผนึกเป็นอริยมรต ก, กำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยสามารถแนะนำเปิดเผยสั่งสอนได้ อ, อุปมาเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนอย่างว่าพอพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้พระองค์ล่วงลับไปแล้วนะสิ้นพระชนชีพหรือออกบวชเนี่ยนะ แก้วมณีก็จะหลบซ่อนอยู่ภายในยอดเขาเวภารบรรพศนะ ท, ที่ที่เมืองราชเชเครกันนะยอดเขาอันนั้นอนะ่ะจะมีแก้วมณีพิเศษอยู่ที่ใครจะเป็นจักรพรรดิเนี่ยแก้วมณีอันนั้นจะไปจะไปให้ทีนี้พอพระเจ้าจักรพรรดิองนั้นเนี่ยนะสิ้นชีวิตหรือออกบวชไปแล้วเนี่ยแก้วมณีก็หายไปกลับไปสู่ที่เดิมเมื่อกลับไปอยู่ที่ตามเดิมเสร็จแล้วต่อมาสมัยต่อมามีพระเจ้าจักรพรรดิองใหม่ พระองค์ได้ปฏิบัติชอบในจักรวัติวัดวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิก็ปฏิบัติตามนั้นขอถวายพระพรแก้วมณี น, นั้นเนี่ยนะชื่อว่ามีปกติอ่าชื่อว่ามีเป็นปกติแล้วแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นหรือ หมายว่าแก้วมณีนั้นมาหาก่อนหน้านั้นมาอยู่แล้วใช่ไหมบอกไม่ต่อเมื่อได้ประพฤติจักรวัติวัตรได้จักแก้วจักรรัตนะแล้วนั่นแหละแก้วมณีจึงมาแก้วมณีจึงมาแก้วมณีนี่มันก็ถ้าจะว่าใบเก่ามันก็ใบเก่าที่พระเจ้าจักรพรรดิองค์ก่อนเคยใช้แต่ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิองค์ก่อนเนี่ยเย็บมามอบให้อะ้รก็กลับคืนไปสู่ที่เก่าแล้วรอผู้มีบุญเมื่อผู้มีบุญมาเอกแก้วมณีก็มาให้ ผู้มีบุญได้ใช้สอยต่อไปเพรานพระเจ้ามิลินจึงบอกว่าหาไม่ได้พระขุนเจ้าแก้วมณีนั้นชื่อว่าเป็นพระเจ้าเอ่อเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นเที่ยวพระองค์เนี่ยทำแก้วมณีให้ปรากฏขึ้นพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นแหละทําแก้วมณีให้บังเกิดขึ้นเพราะว่าถูกภูเขาปิดก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับไม่เกิด่นะขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน มักอันเย็นสงบเนี่ยนะมักที่เย็นแล้วก็สงบเป็นมักที่ประกอบไปด้วยองค์แปดพระตถ า, าคตเจ้าทั้งหลายในปางกรทรงทำให้ปรากฏแล้วทรงสั่งสมสั่งสอนไว้แล้วต่อเมื่อไม่มีผู้อนุศาสตร์บอกสอนข้อปฏิบัติเพื่ออารยมัชเหล่านั้นมัชเหล่านั้นก็ขาดไปพังทลายไปเป็นของลึกลับถูกปิดเอาไว้ถูกบังเอาไว้ใช้สัจรอีกไม่ได้ พอเมื่อหมดคำสอนแล้วใครจะไปปฏิบัติตามได้เนี่ยนะเมื่อเช้ายมเขามาเล่าให้ฟังว่าทางประเทศแถวแถวตะวันออกกลางก่อนถึงตะวันออกกลางเช่นปา ก, ากาีสถานอัฟกานิสถานมีการขุดคน้นซากโบราณวัตถุนะซึ่งประกาศถึงว่าศาสนาพุทธศาสนาเราเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในละแวกเหล่านั้นมากแล้วว่าเขาอ่านอินเทอร์เน็ตให้มาเสร็จแล้วก็าาววก็จริงอ่ะนะว่าบัดนี้เนี่ยมีชาวปากีสถานอัฟกานิสถานเจริญสิขาสปฏิบัติอรารยมรตมีองค์8อยู่บัดนี้ไหม บอกไม่มีมันก็คือศูนย์หายจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็จะคล้ายกันนนะต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละประกาศพวกนี้จึงจะฟังนะไม่ระดับพระพุทธเจ้าอย่าคิดเลยนะว่าจะประสบความสําเร็จยากเหมือนกันบางประเทศเนี่ยนะบอกอย่าว่าแต่ว่าเอาคําสอนไปสอนเลยภาพพระพุทธรูปยังไม่ให้เอาเข้าประเทศเลยเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเขานะะ พัะอริยมรักมีองค์8เนี่ยนะเมื่อไม่มีผู้อนุสาสตตามโอวาสสังสอนอริยมรักเหล่านี้ก็พังทลายไปลึกลับถูกปิดถูกบังสันจรต่อไปไม่ได้อีกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะที่อุบัติขึ้นมาในโลกทธิราวีทัทาตถาคโตโลเกอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกเติบโตในโลกเนี่ยนะอุบัติขึ้นใน สัตว์โลกเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมในสังขารโลกเพราะพระองค์ใช้ปัญญาจักสุค้นพบวิจัยเลือกเฟ้นจนพบเนี่วันนี้คือศีลนี้คือสมาธินี้คือปัญญาะจำแนกศีลเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจำแนกศีลสำเร็จด้วยสัททินศีสันเร็จด้วยศรัทธาภละเป็นปีติปัสสัทธิสัมโพชงเพราะว่าศีลนำมาซึ่งปีติและปัสสัทธินะ จำแนกวิจัยเลือกเฟ้นจนเห็นสมาธิคือสติประธานสเห็นสัมมัปประธาน 4. สสติประธาน4ี่สัมมัปประธานสี่เนี่ยตัวสติตัวสมาธิอยู่ในกลุ่มสมาธิขันกองแห่งสมาธิพบวิริยินรี่สตินรี่วิริยินสี่ค้นพบสมาธินสี่เนี่นะค้นพบจิตตสมาธินี่นะจิตตสมาธิพระองค์ค้นพบ ปัจสัมนโพชงสมาธิสัมโพชง์พระองค์ค้นพบสัมมาวายามะสัมมาสติพระองค์ใช้ปัญญาจาักสุเลือกเฟ้นคุณธรรมเหล่านี้จากขันธาตุและอายตนะเนี่ยนะจากทวารต่างๆจากทวารตาพระองค์เลือกเฟ้นจนพบโพธิปักจะธรรมทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทุกทวารและพระองค์เจริญภาพเพียรปฏิบัติจนพบเลือกเฟ้นเจริญโพธิปักจยธรรมเนี่ยนะ เมื่อพระองค์ค้นพบอย่างนี้แล้วแล้วพระองค์ก็แทงตลอดธรรมะเหล่านี้ตรัสรู้ธรรมนี้เป็นเจ้าของแห่งคุณธรรมเหล่านี้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์เป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เอามาบอกมากล่าวแต่งตั้งเปิดเผยแนะนําให้ผู้อื่นได้เจริญได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นทางนี้จึงชื่อว่าพระองค์ทําทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้ข้ออุปมาอันนี้ไม่อธิบายอ่านให้ฟัง ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนอย่างว่าเหมือนเปรียบเหมือนว่าผู้เป็นมารดาอาศัยช่องกำเนิดธรบุตรที่มีอยู่ในท้องนั่นแหละให้เกิดคนทั้งหลายจึงเรียกว่าชนิกาหญิงผู้ทาให้เกิดฉันใดขอถวายพระพรมักที่มีอยู่นั่นเทียวซึ่งขาดไปพังทลายไปลึกลับปิดบังใช้สัญจรไม่ได้ พระตถาคตใช้พระปัญญาจากสุค้นพบทําให้เกิดทําให้สัญจรได้ฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นข้อเปรียบอีกในหนึ่งว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนพบสิ่งของบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่หายไปแล้วคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยนะหมดสิทธิ์ได้แล้วว่า ง, งั้นเถอะหายไปสนิทเลย ผู้คนจึงกล่าวว่าบุรุษผู้นั้นทําสิ่งของนั้นให้เกิดขึ้นหมายความว่าไปเกิดหาได้มาใหม่อีกครั้งหนึ่งอนะซึ่งของเหล่านั้นหายไปแล้วจนเขาลืมกันหมดแล้วแล้วไปมีใครไปหามาได้อีกอะ่ะนะเรียกว่าทําสิ่งนั้นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นฉันใดขอถวายพระพรมรที่มีอยู่นั่นแหลซึ่งขาดไปพังทลายไปลึกลับปิดบงังใช้สัญจรไม่ได้พระตถาคตทรงใช้พระปัญญาจากสุคนพบทําให้เกิดขึ้น ทำให้ใช้สัญจรได้ชันนั้นเหมือนการเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเป็ี่ยนผ้าอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดังนี้ของเราอย่าว่าทําให้เกิดแล้วเราคิดดูนะไอ้สัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจอย่างเง้ย น, นะทุกเขยานังทุกขะสมุทะเยยานังทุกขะนิโรเทยานังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาญยาณังอ่ะแค่มาใคร่ครวญตามท่านเราก็ กเหันนะอย่าว่าไปนค้นพบเองเลยใครจะดูตามท่านยังยากเลยนะวันอันนี้เป็นความยากเหมือนว่าทําสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอีกอุปมาหนึ่งนะอุปมานี้ใช้กับโบราณได้ดีสมัยที่มีป่าเขาลำนาวพรายเยอะเนี่ยนะสมัยที่ไม่บุกรุกปาก่าเขาไม่เรียกว่าบุกรุกป่าไม้สมัยที่เขาสันเสริญการตัดไม้ทําลายปา่าเนี่ยนะอันนี้ถ้าใช้กับสมัยนี้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ก็ควรจะอ่านให้ฟังกันก่อนบอกว่า อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนถางป่าชัมระที่ดินให้สะอาดโนะคนไม้ต้นโตัวๆล้มทับจุดไฟเผาพลานวอดหมดกลายเป็นที่ดินเปล่าอย่างันผู้คนก็กล่าวว่าที่ดินเป็นของบุรุษนั้นดังนี้ที่ดินนั้นเน่ยหาใช่ที่ดินผู้บุรุษนั้นอ่ะทําให้เป็นไปคือบุรุษนั้นสร้างแผ่นดินขึ้นใช่ไหม <S <S <ๆ>เขาชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินเพราะทําที่ดินนั้นให้เป็นเหตุฉันใด ขอถวายพระพรมรที่มีอยู่นั่นแหละซึ่งขาดไปพังทลายไปลึกลับปิดบังใช้สัญจรไม่ได้พระตถาคตทรงใช้พระปัญญาจากสุขค้นพบทำให้เกิดขึ้นทำให้ใช้สัญจรได้ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะซึ่งทางคืออริยมรนประกอบไปด้วยองแปดที่พระพุทธเจ้าทำให้ขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ก็เริ่มรกตามเดิมละไม่นานก็เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะที่ปราศจากหนทางนนะ ปราศจากอะไรปราศจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่นะวันนี้ใครคิดถึงมรแปดสามครั้งมั่งยกมือขึ้นคิดถึงสามครั้งเลยนะโอ้เงียบไม่ยกมือให้ชื่นใจมั่งเลยแหะคิดถึงอริยมรองค์แปถึงสามครั้งอย่างเงี้ยนะคิดถึงยังไม่คิดถึงจะก่าปยายถึงเดินตามเหมือนนนะนี เพราะเหตุนั้นพระองค์ยังตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทางร้ายตถาคตเป็นอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดังนี้พระเจ้ามิเินก็บอกษาทุดีจริงพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมาแล้วนี้ในอัตถกาธาน่า้า393กล่าวเพิ่มเติมว่าอุปมาสุดท้ายที่บอกว่าเขาชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินเพราะทําที่ดินนั้นให้เป็นเหตุ เป็นต้นความว่าเมื่อยังไม่ถางป่ายังไม่ชำระที่ดินให้สะอาดก็ไม่อาจเข้าไปจับจองหรือเอาเพื่อประโยชน์แก่การปลูกหวานพืชการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นต้นได้นะที่ดินนั้นก็ยังปราศจากเจ้าของบุรุษผู้นั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นเจ้าของถ้ามันยังเป็นป่าทึบแบบโบราณเลยนะ ต่อเมื่อบได้ไปทางตาแล้วชำระที่ดินให้สะอาดได้แล้วก็เข้าไปจับจองถือเอาเพื่อประโยชน์ดังกล่าวนั้นได้ที่ดินนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่ดินที่มีเจ้าของและบุรุษผู้นั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของเพราะมีที่ดินที่ตนทางที่ตนชำระไวเป็นเหตุให้นับว่าเป็นเจ้าของฉันใด มักอย่างที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่การก่อนทรงค้นพบแล้วทรงประกาศแล้วต่อมาอาริยมรรคเหล่านั้นก็เสื่อมไปกลายเป็นเส้นทางลึกลับปิดบังใช้สัญจรไม่ได้แล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ปราศจากเจ้าของมาบัดนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงเข้าไป ถากถางรกชัดคือกิเลสที่ปิดบังหนทางนั้นเพราะพระองค์ทางมิจฉาทิฏฐิถางมิจฉาสังกัปปะทางมิจชาวาจาถาคถางมิทั้งถากทั้งทางไม่ใช่พูดถาคถางนะคนละอย่างถากทางมิจฉาวาจามิชชากรรมมันตมิจฉาอาชีวมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวีมุตพระองค์กําจัด ทำลายมิจฉาทั้งนั้นข้อปฏิบัติผิดๆหนทางผิดๆมาปฏิบัติในหนทางที่ชอบกลายเป็นหนทางที่ใช้สัญจรปฏิบัติกันได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นเจ้าของมรคนั้นเพราะทรงมีมรที่ค้นพบคือทําให้เกิดได้อีกนั่นแหละเป็นเหตุนับว่าพระองค์เป็นเจ้าของมรอันนั้นเพรันสัมมาทิฏฐิหรือข้อปฏิบัติตามหลักอริยมรประกอบไปด้วยองค์แปดจึงชื่อว่าเป็นของของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาของคำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นคืออริยมรรคเนี่ยนะเส